เสขียะกันคำถามคำตอบสมถะในเสขียะกันละเจ็ดปาทุกวัตรละสิกขาบทที่สิบห้าถามอาบัตของภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อ ถ่ายอุจจาระปัสสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำบรรดาสมถะเจ็ดอย่างระงับด้วยสมถะเท่าไหร่ตอบอาบัตของภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อถ่ายอุจจาระปัสสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำบรรดาสมถะเจ็ดอย่างระงับด้วยสมถะสามอย่างคือ 1. สัมุขขาวินัย 2. ปตินยาตการณะ 3. สัมมุขาวินัยกับตินวัฏฐากะสมถะวาระที่ 7. จ, จบ